เราวันนี้ก็ผมได้พักผ่อนกายมาพอสมควรแล้วนะให้เราได้พักผ่อนใจโดยการเปิดใจแลบฟังไอ้ฟังแบบสบายๆอย่าไปเพลิ่นกับการคุ้นคิดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคุ้นคิดในเรื่องที่ยังไม่ได้มาถึงหรือผ่านไปแล้วหรือว่าคุ้นคิดในเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ บางทีเราไปติดอยู่กับประโยคอยู่ที่เนื้อความก็เลยตามเรื่องที่พูดต่อไปไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าการฟังธรรมนี่มันก็เป็นอาหารใจของพวกเรากแล้วกันเข้าใจว่าเรื่องอาหารกายเราไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เรายังให้ความสําคัญไม่มากพอหรือว่ายัางละเลยอยู่ค่อนข้างมากก็คือเรื่องของอาหารใจ เรื่องกายนี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสาคัญเรามีเวลาให้กับเรื่องกายเยอะทั้งชีวิตของเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการหาความสะดวกสบายทางกายหาที่พึ่งทางกายหาความมั่นคงทางกายอาชีพการงานส่วนใหญ่ของเราก็เป็นเรื่องการหาความมั่นคงทางกายหาบ้านหาอาหารหาปัจจัย4หารถหรือว่าทรัพย์สมบัติอันนี้เพื่อความมั่นคงทางกายเวลาที่ใช้ไปก็ใช้ไปกับเรื่องทางกายเยอะ นอกจากเรื่องอาชีพการงานซึ่งเป็นเรื่องหาความมั่นคงทางกายแล้วเราก็ใช้เวลาถึง8ดชั่วโมงสละการพักผ่อนกายทานกินอาหารเราก็ใช้เวลากับเรื่องนี้อยู่วันละอย่างน้อยก็2ชั่วโมงก็เป็นเรื่องกายอีกอาบน้ำถูฟันกินข้าวถ่ายหนากักถ่ายเบาก็เป็นเรื่องกายมีเวลาที่จะเหลือสำหรับเรื่องจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาความสะอาดจิตใจ เรื่องการบำรุงจิตใจเรื่องการพักใจก็ถือว่าน้อยเต็มทีเมื่อเรามาวัดก็ขอให้ได้ใช้โอกาสในส่วนนี้ด้วยแม้กระทั่งการทำวัดสวดมนต์การฟังธรรมก็เป็นโอกาสที่จะพักจิตบำรุงใจได้เหมือนกันถ้าหากว่าหวางใจให้เป็นพวกเราที่มาที่นี่อาตมาก็เข้าใจว่าส่วนใจลึกเกินทั้งหมดก็ตั้งใจที่จะนาเอา พุทธศาสน า, าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทั้งแนวทางและเป็นจุดมุ่งหมายของการดำเนินชีวิตการทําเช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่านุโมทนาแต่ว่าก็อยากจะให้เราทําความเข้าใจเกี่ับเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งเป็นส่วนที่ปลีกย่อยมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นแก่นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะไปจิบช่วยเอาส่วนที่มันเป็นกับพีว่าเป็นแก่น ก็อาจจะทให้ชีวิตของเราหลงทางหรือว่าติดตันหรือว่าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือชีวิตที่พาสุขชือชีวิตที่ห่างไกลาจากทุกหรือว่าพ้นทุก์เพื่อศาสนาก็มีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุศาสนาประเพณีแล้วก็ศาสนาธรรมอันนี้เราก็ต้องจับประเด็นหรือพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรอง ส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ที่าศาสนาประเพณีติดอยู่ที่ว่าโ อ, อ้ประเพณีเขามียังไงก็จะทำตามนั้นแล้วก็จะต้องทำให้มันถูกต้องบางทีก็ไปใส่ใจกับตรงนี้มากเกินไปเช่นปวดน้านี่จะปวดยังไงจะกล่าวคาว่าอะไรมีต้องใช้น้ำไหมเอามือยื่นไปแตะที่แก้วไหมหรือว่าไม่ต้องยื่นนิ้วไปนะแล้วก็จะต้องกล่าวถึงไหนถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยไหมหลายคนก็ไปติดอยู่ตรงนั้น แล้วก็ไปทุกข์กับตรงนั้นเยอะอย่างเช่นบางทีกรวดน้ําก็มีคนทักว่ากรวดไม่ถูกต้องกลายเป็นทุกข์ไปรู้สึกเสียดายเวลาเสียดายเข้าของที่ถวายไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์หรือกลัวว่าจะไม่ไปถึงคนที่จากไปที่เรานับถือหรือบางทีก็ไปติดอยู่ที่าศาสนาวัตถุก็เรียกว่าตั้งหน้าต่างตาที่จะทําบุญเพื่อที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็ไปอยู่แต่ก็ที่ตรงนั้น นะแต่ว่าใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์ที่หาเงินมาทอดกระถินทอดพระปาได้น้อยไม่ได้มากทุกข์ที่ว่ากุฏิที่สร้างยังไม่เสร็จสักทีหรือว่าไม่ตรงตามแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้ก็ไปติดอยู่กับศาสนวัตถุศาสนสถานบางทีก็ไปติดกับศาสนบุคคลไปเห็นพระทำตัวไม่ดีก็เกิดหมดศรัทธานในศาสนา รู้สึกว่าไอสิ่งที่ตัวเองทําไปปฏิบัติไปทุ่มเทไปเป็นสิ่งศูญย์เปล่าพอเห็นพระปฏิบัติไม่ถูกต้องเกิดความพ้อแท้หดหูอันนี้ให้เราเข้าใจว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาหลังมาทีหลังทั้งนั้นนะสิ่งที่สําคัญหรือมา ก, ก่อน ก, นก็คือศาสนธรรมเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลนี่ไม่มีก่อนที่จะมีศาสนบุคคลนะก็มีแต่ศาสนธรรมคือมีธําที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และเมื่อมีศาสนบุคคลคือพระสงฆ์ก็ยังไม่มีศาสนสถานคือยังไม่มีวัดนะเมื่ออัญญาโกนัญญะและคณะอีกสี่รูปทัมนามะสชัชชิรวมกันเป็นสงฆ์ก็ไม่มีวัดไม่มีวัดคือไม่มีศาสนสถานไม่มีกุติด้วยซ้ําก็อาศัยโคลนม้นั่นแหละเป็นที่พักอาศัยในพรรษาแรกวัดนั้นมาทีหลังเวรุวันนี้ก็มาทีหลัง แม้เมื่อมีเวลุวันแล้วก็ไม่ได้มีพระอยู่ประจําศาสนาประเพณีก็เหมือนกันก็ตามมาที่หลังพรรษาแรกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระรัตนตรยัยศาสนาประเพณีก็ไม่มีการบวชก็เป็นการบวชอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นในช่วงหลังๆก็โดยจงมาทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดนะพูดสั้นๆทอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทแล้วมาบําเพ็ญพรหมจรรย์เถิดหรือว่ามาศึกษาธรรมวินัยนี้เถิด ก็มีเท่านี้นะไม่มีประเพณีการบวชไม่มีการแห่แหนแห่นาคอย่างที่เราทํากันไม่มีการเลี้ยงฉลองตรงทั่งบางคนเข้าใจว่าถ้าไม่เลี้ยงฉลองถือว่าไม่ได้บุญนะมายถึงฉลองงานบวชนั้นนะและมันทีก็เข้าใจผิดกระทั้งว่าต้องมีเหล้าด้วยนะมันไม่ใช่นั้นมันมาทีหลังเป็นความผิดเพี้ยนศาสนาประเพณีก็มาทีหลังนะมาทีหลังศาสนธรรม นี้พวกเราสาวพุทส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่ที่ประเพณีสิเยอะก็ลืมเรื่องาศาสนาธรรมไปคันนี้าศาสนธรรมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะมันก็มีทั้งปฏิบัติมีทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะาศาสนธรรมาศาสนธรรมคือคำสอนหรือความจริงที่พระเจ้าทรงค้นพบก็มีทั้งส่วนที่เป็นปริยัติคือทฤษฎีส่วนที่เป็นปฏิบัติและปฏิเวทคือธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติบางทีก็ไปติดอยู่ที่ ปริยัตินะไปเข้าใจว่าปริยัตินี่คือทั้งหมดของศาสนธรรมไปคิดว่าจะเข้าใจศาสนธรรมต้องศึกษาจากปริยัติแล้วก็จะเข้าถึงได้ก็จากการศึกษาปริยัติมันเคยมีคนจนํานวนไม่น้อยที่เชื่อแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นในสมัยสัก80ปีก่อนนี่ตอนนั้นมีการศึกษาด้านปริยติธรรมเฟื่องฟูมากเพราะว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องปริยติธรรม ท่านเป็นบิดาของประวัติธรรมสมัยใหม่ท่านก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาประวัติธรรมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งพระที่สําเร็จจากการศึกษาระบบนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าการที่จะเข้าใจธรรมะได้นี้ต้องศึกษาจนถึงประโยค9์้านั้นท่านก็ศึกษาถึประโยค9ก็ถือว่าเข้าใจธรรมะก็มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะมนตรในภาคอีสานนั้นท่านจะมีความรังเกียจพระป่ามาก โดย พ, พราะผ้าป่าสายพระจันทร์มั่นพระจานทร์เสากัมตัดสีโลถ้ามีผ้าป่าสายนี้ที่จริงมีหลายสายแต่ว่าสายนี้ก็ตกอยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยด้วยคือถ้ามาอยู่ในเขตปกครองของท่านท่านก็จะให้ไล่ออกไปพอพ้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมอยู่วัดวาเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ทําตัวสอดคล้องกับระเบียบสงฆ์ฉันพระที่ไปรู้สิทธิ์พระจันทร์มั่นพระจานทร์เสามีปัญหามาก ไปอุบลไปโคราชจะถูกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกไปไม่ให้ไปอยู่ในเขตปกครองของท่านเพราะว่าท่านมีทักนคติที่ไม่ดีกับพระปฏิบัติพระปาาอาว่าเป็นพวกที่มัวเมางมงายไม่อยู่ในร่องในลอยจนกระทั่งต่อมาพอท่านเริ่มปวดมีป่วยเครียดจนป่วยจนตังกลับเข้ามาหาสมาธิภาวนาแล้วก็อาการทุเรบรเทาเบาบางไป และท่านก็ตอนหลังก็ได้เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธมีคราวหนึ่งก็หลังจากที่ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องกับพระสายพระจรันมั่นมีคราวหนึ่งก็ได้มีการพบพระจรันมั่นสมเด็จพระราชาคณะท่านนี้ซึ่งมีชื่อมาในภัยอิสานเมื่อได้พบอาจารย์มั่นก็มีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งติดค้างมานานว่าพระจารย์มั่นนี้ไม่ได้เรียนปริยติธรรม ท่านก็มีแต่ความรู้ในระดับนักธรรมบาลีไม่ได้เรียนเลยเมถามว่าท่านรู้ธรรมะได้ยังไงท่านถามงี้เลยนะไม่ได้เรียนสูงแล้วรู้ธรรมะได้อย่างไรไม่เข้าใจเพราะท่านเข้าใจว่าเนี่ยคนที่รู้ธรรมะได้ต้องอ่านหนังสือต้องเรียนตำราพระอาจารย์มั่นตอบอย่างนี้ว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมยาหลวงปู่มั่นก็ท่านก็อาศัยการทุ ด, ดงนั่นแหละศึกษาธรรมะจากธรรมชาติ ธรรมชาติทุกยอมญาณนี้สามารถที่จะบ่มเพาะให้เกิดปัญญาได้ถ้ารู้จักมองคือสามเณรที่มาของคาถาในธรรมบทว่าชาวนาขาน้ําข้าวนาคือสามเณรท่านนี้นะเห็นชาวนาขายน้ําข้าวนาก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเป็นบัณฑิตต้องฝึกตนแล้วก็ท่านก็ฝึกตนจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลอันนี้เราท่านใช้ปัญญาท่านเกิดปัญญาคือมองเห็นอะไรนี้เป็นเครื่องสอนธรรมในหมด เห็นชาวนาขายน้ำขายนามาก็สอนทำเห็นกําลังดัดลูกศรก็สอนธรรมะอันนี้คือวิสัยของบัณฑิตคือว่ามองทุกอย่างมองให้เป็นก็เห็นธรรมะปัญญาก็เกิดอันนี้ก็เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละศา ส, สนธรรมไม่ได้อยู่ที่ปริยัติอย่างเดียวอยู่ที่ปฏิบัติ ด, ด้วยทีนนี้ปฏิบัตินี่นะมันก็มีหลายส่วนเวลาพูดถึงปฏิบัติก็นึกถึงวิปัสสนากรรมฐานที่จริงมันอันนั้นแค่ส่วนเดียว ปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นจากทานทานนี่คือขั้นต้นเลยปฏิบัติที่คนไทยสมัยก่อนนี่นิยมพาลูกพาหลานตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาใส่บาตรพระหน้าบ้านทุกเช้าก็คือการสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องปฏิบัติขั้นต้นเราเรียกว่าเป็นบุญกิริยาขั้นต้นหรือการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็เริ่มต้นจากการให้ทานทานนี่คือจุดเริ่มต้นของหนทางไปสู่ความดี ในพุทธศาสานาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นการสละแล้วก็สลัไปในตัวด้วยเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้ก็เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นในทางวัตถุส่วนเป็นการสลักความยึดติดถือมั่นก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ในทางจิตใจปณเรานั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานมันก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่กตัวเพราะคิดแต่จะได้คิดแต่จะเอาเด็กเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานเนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่า ได้จากพ่อจากแม่จากปู่จากย่าจากยายจากใครต่อใครมากมายจนกระทั่งไม่รู้จักคำว่าให้การให้ทานก็เป็นเรื่องที่จะช่วยดัดนิสัยลดละความเห็นแก่ตัวได้ตั้งแต่เล็กแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนไทยชาวพุทธจำนวนมากก็ไปติดอยู่ที่ประเพณีว่าถ้าให้ทานต้องให้กับพระต้องทำในรูปของผ้ปาป่าสังกาัาหรือว่าใส่บาตรแล้วก็ไปติดเรื่องการกรวดน้า จะต้องกวดยังไงเดี๋ยนี้เฟอร์กันมากมีหลายสำนักมากที่พูดเรื่องการกรวดน้ําแล้วก็ชาวพุทธจานวมนมากก็ไปติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งลืมไปว่าฐานที่ถูกต้องเป็นอย่างไรธรรมะว่าด้วยการให้ทานเป็นอย่างไรไม่ค่อยรู้ละ่ะส่วนอยากรู้แต่ประเพณีนะว่าจะทําอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องปีกย่อยแต่ถามว่าสัพพุริสทานรู้จักไหมสัพพุริสทานเนี่ยคือการให้ทานอย่างสัตบุรุษ การให้ทานอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาคืออะไรตอบไม่ได้แต่เวลาพูดถึงประเพณีนิดแหม่ค่องแคล่วว่องไวตอบได้หมดถูกหรือผิดไม่ทราบแต่สิ่งที่เป็นสาระคือสัพพิสทานตอบไม่ได้สัพพิสทานคืออะไรก็คือทานของสัพพบุตรพิธีการให้ทานเช่นให้ทานก็คือให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ของที่ควรแก่ผู้รับให้ด้วยวิจารณญาณไม่ใช่สักแต่ว่าให้หรือว่าไม่ได้ใช้ปัญญา ให้อย่างสม่ําเสมอและที่สํำคัญคือว่าเมื่อให้จิตใจแจม่มใสให้เสร็จแล้วจิตใจเบิกบานสัพริสทานเนี่ยทั้ง78ข้อนี้จะสังเกตว่าไม่ได้พูดเรื่องกรวดน้ําเลยว่าจะต้องกรวดน้ําอย่างไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องให้ใครบางคนไปเข้าใจว่าถาทานนี่ต้องให้กับพระนะถ้าให้กับอย่างอื่นนี้ไม่ใช่หรือไปเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้ขอทานถ้าพระนี่ต้องเรียกว่าทำบุญ อันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกให้กับพระก็เรียกว่าทานไม่งั้นไม่เรียวสังกทานสังกทานคือว่าให้กับพระบางคนรังเกตคําว่าทานเพอาเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้กับขอทานแต่พระนี่ต้องทําบุญใช้คํานี้อันนี้เข้าใจผิดคำว่าสังกทานก็บอกอยู่แล้วว่าคือทานที่ให้แกสงอันนี้เนี่ยเราไปจดจอ่อจดจ้องกับเรื่องประเพณีมากเรื่องการให้ทานจนไม่เข้าใจตัวาศาสนธรรมที่เกี่ยวกับการให้ทานให้ทานที่สะอาดที่ประณีต ที่ควรแก่ผู้รับแล้วก็ให้ทานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้รับเพราะผู้รับเนี่ยก็ย่อมพอใจย่อมได้รับประโยชน์เมื่อได้รับทานที่เป็นของสะอาดเป็นของประณีตเป็นของที่ปวนคือเหมาะกับเขาอันนี้คือประโยชน์แก่ผู้รับและขณะเดียวกันประโยชน์แก่ผู้ให้ก็คือว่าจิตใจผ่องใสชื่นบานทั้งตอนระหว่างให้ ที่จริงก่อนให้ก็ชื่นบานและให้แล้วก็หลังจากให้ก็ยัยก็ชื่นบานถ้าทําแล้วจิตใจเศร้าหมองก็ไม่เรียกว่าเป็นสับริสถานอย่างถูกต้องและบางครั้งเนี่ยเราก็ให้ด้วยด้วยใจที่เศร้าหมองเพราะว่าการให้ของเรานั้นยังมีเยื่อใหญ่อยู่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่สารเสวนการให้ที่มีจิตเยื่อใหญ่มีจิตเยื่อใหญยหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ไปแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นของเรา ก็อย่าคอยดูว่าหลวงพ่อนั้นฉันอาหารที่เราถวายหรือเปล่าถ้าทำไม่ฉันก็มีความทุกข์หดหูเศร้าใจทําไมเขาฉันของคนอื่นไม่ฉันของเรานี่เราจิตที่มีเยอะใหญ่ยังมีจิตผูกพันอยู่ยังไม่ได้เป็นการให้อย่างแท้จริงทานนี่เขาต้องการเพื่อจะฝึกให้เราปล่อยวางอันนี้คือประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือฝึกให้เราปล่อยวางประโยชน์ท่านก็คือทําทำให้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้ ซึ่งควรเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของสะอาดของประณีดเดี๋ยวนี้เราให้ด้วยจิตที่มีเย่อใหญ่นะบางทีให้แล้วก็ยังหวังให้เขาสารเสริญชื่นชมติดชื่อของเราว่าเราบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้วัดจํานวนมากนี้กลายเป็นวัดที่เต็มไปด้วยชื่อคนแทนที่จะจะลึกพุทธพจน์แทนที่จะเขียนพุทธพจน์พุทธภาษิตมีแต่ชื่อคนซึ่งเท่ากับเป็นการประกาศอัตตาหรือว่าประจานอัตตาก็ได้ ไม่ใช่แค่ประกาศแต่เป็นการประจานนะอาตมามองแบบนี้นะก็คือว่าให้แล้วก็ยังมีจิตเยื่อใยว่าต้องการได้รับคำสรรเสริญต้องการได้รับการยอมรับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะไม่ใช่สับริสถานเพราะยังมีเยื่อใยอยูนะ่แล้วก็เป็นเหตุทําให้จิตใจไม่ผ่องใสเพราะว่าก็ต้องคอยเป็นการให้แบบมีเงื่อนไขว่าเขาจะจดจารชื่อของเราลงไปไหมไม่ใช่เป็นการลดละอย่างแท้จริง แมกระทั่งการให้เพื่อจะหวังผลนะที่เป็นรู ป, ปรธรรมเช่นให้เพื่อสั่งสมบุญให้เพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ให้เพื่อหวังผลในภพหน้านี้ก็เป็นทานที่พระองค์ไม่สารเสริญเช่นเดียวกันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าพระองค์ถือว่ามันให้ประโยชน์ในเชิงที่เป็นประโยชน์ขั้นต้นเท่านั้นเองแต่มันไม่นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปรมาถ ธ, ธรรมปรมัาถ ธ, ธรรมก็คือการที่จิตหลุดพ้นจากโลกรธรรม ผู้ง า, งานนะจิตลุปพ้นจากโลกธรรมคือเรื่องลาบยศสุขสารเสริญเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทานเนี่ยมันไม่ใด้มีความหมายเพียงแค่ว่าเพื่อให้ได้บุญแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการฝึกลดละบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกที่จะต้องได้รับเป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นอัตโนมัติก็คือความเย็นความเย็นใจ ไม่ต้องหวังบุญเมื่อเวลาเราทำบุญนะเพราะมันต้องได้อยู่แล้วมันก็กินข้าวเนี่ยไม่ต้องบอกว่าขอให้ฉันหายหิวนะขอให้ฉันอิ่มนะไม่ต้องบอกหรอเพราะว่าถ้ากินแล้วก็ต้องอิ่มอยู่นั่นแหละทาบุญเนี่ยไม่ต้องหวังเพราะถ้าทำอย่างถูกต้องจิตใจก็เบาจิตใจก็เป็นสุขเพราะว่าจิตที่ให้จะเป็นจิตที่โปร่งเบาเดี๋ยวนี้เราไปหวังผลเพียงแค่หวังปูกข่วยรวยเบอร์หวังมีโชคหวังไปเกิดในสวรรค์ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่า มันเป็นประโยชน์ชั้นอย่างมากคือชั้นกลางนะคือประโยชน์นี่แบ่งแบ่งเป็น3อย่างในพุทธศาสนาประโยชน์ชั้นต้นก็คือเรื่องของวัตถุมีเงินมีทองมีครอบครัวมีสุขภาพดีมีมิตรภาพมีงานการดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอันนี้เราประโยชน์ชั้นต้นถือว่าต่ําสุดประโยชน์ชั้นกลางคือว่าจิตใจเยน็นสบายเพราะได้ทําความดีอาจจะรวมไปถึงบุญที่สะสมในภพหน้าด้วยชั้นกลาง แต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะที่สุดนั่นคือเรียกว่าปรมาถะประโยชน์ขั้นสูงสุดก็คือจิตใจที่ลดละความยึดติดถือมั่นเป็นจิตใจที่เข้าถึงหรือเข้าใกล้ผนิพานการทําบุญของเราเนี่ยถ้าเรายังติดว่าอยากจะได้นโนนอยากจะได้นีเวลาทําบุญนี่ก็อธิษฐานขอพรหรือว่าตั้งจิตอยากจะได้นโนนได้นีอันนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังดีไม่ถึงที่สุด เพราะว่าถ้าดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยเพราะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในกฎธรรมชาติว่าทําดีย่อมได้ดีไม่มีการขอและการขอนั้นกลับจะเป็นการเพิ่มปูนกิเลสเพิ่มปูนตันหาหรือว่าไม่ได้ลดลัทกิเลสไม่ได้ลดลัดธตันหาเพยังมีความอยากอยู่ชาวพุทธเราก็รู้อยู่แล้วว่าความอยากหรือเพราะความอยากที่เรียกว่าตันหามันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เราขอพรแล้วเราไม่ได้พรเราก็ทุกข์ อย่างที่เราสวดกันทุกเชา้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพอไม่ได้แล้วก็ไปเกิดการตั้งคำถามว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทำดีแล้วไม่ได้ดนะีเกิดวิจิกิจช้าเกิดความเสื่อมศรัทธาในความดีเกิดความเสือสเเส่อมศรัทธาในพระธรรมอันนี้ไปกันใหญ่เลยเพยียงเพราะว่ามีความปรารถนาแล้วไม่ได้สมความปรารถนาเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนานั้นเนี่ยาจจะเกิดเลยไปก็ได้เช่น เอาพูดงายมันก็ว่าทําบุญ10บาทหวังจะได้ล้านเงี้ยบางทีมันเกินเลยไปมันไม่ใช่ว่าโกฎแห่งกรรมไม่มีจริงไม่ใช่ว่าความดีไม่ส่งผลแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งความปรารถนาเอาไว้มันเกินจริงทําไปด้วยความหลงทาไปด้วยกิเลสมันก็ไม่ได้ผลแล้วเราก็ไปโทษความดีไปโทษคุณธรรมว่าไม่ส่งผลอันนั้นก็ไม่ใช่เอาเราะฉะนี้ก็ให้เราเข้าใจเรื่องทานให้ดีเพราะถ้าเรไม่เข้าใจ มันก็จะไปปิดที่ปิดทางาคนไทยเดี๋ยวนี้เราเก่งอะเรื่องการให้ทานแต่เราเข้าใจเรื่องทานน้อยมากอันนี้เรื่องทานแล้วเนี่ยก็ไปสู่เรื่องศีลพัฒนาทานเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกตัวเราให้สิ่งที่นอกตัวใช่ไหมทานเนี่ยคือวัตถุวัตถุนี่เป็สิ่งนอกตัวจริงๆถ้าการให้ทานในสิ่งที่ใกล้ตัวมาเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเช่นตลัดหรือให้ภยัยหรือว่าให้ธรรมะเป็นทาน ธรรมทานนี่เป็นย่อยกว่าทานทั้งปวงเป็นเล็กกว่าทานทั้งปวงธรรมทานอภัยะทานก็มีคุณค่าเหมือนกันจากทานแล้วก็ต้องมาศีลนะศีลนี่ก็เป็นการปฏิบัติที่ยากขึ้นไปอีกหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองและ เ, เป็นเรื่องเกี่ยวกักายวาจามันไม่ใช่เป็นของนอกตัวแล้วมันเป็นของในตัวเลยคือกายวาจาซึ่งทํายากเพราะว่ามันต้องมีการฝึกัดขัดเกลาศีลห้า อันนี้ก็เป็นศีลเบื้องต้นอย่าไปเข้าใจว่าศีลทั้งหมดมีแค่ศีล5้ศีลทั้งหมดนี่ก็มีความหมายก็คือว่าเป็นการขัดเกลากายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เกือก่อนเกลนผู้อื่นได้ด้วยเพื่อทําให้เกิดความปกติในจิตใจแต่ก็อย่างที่เกลือนเอาไว้ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไปติดเรื่องประเพณีจะรับศีลที่นึงก็ต้องรอว่ามีพระมาไหมบางทีก็ไปติดว่าต้องมีพระ ให้ศีลถึงจะเรียกว่าเป็นการรับศีลถึงจะเรียกว่าเป็นการสมาทานศีลที่จริงไม่ใช่นะศีลเนี่ยคือความดีเนี่ยมันทําได้ทุกเวลานะไม่ใช่ว่าต้องรอพระมาให้ศีลก่อนเราถึงจะสมาทานศีลได้การให้ศีลที่พระทำกันเนี่ยนะก็คือเป็นการประกาศต่อสาธารณชนแล้วก็เป็นการแสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนว่าฉันจะสมาทานศีลข้อ น, นี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้รับรู้แล้วก็ช่วยเหลือกัน แล้วก็ช่วยตักเตือนกันสมาทานศีลเนะี่ยทำคนเดียวก็ได้ทําต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้หรือไม่มีพระพุทธรูปก็ทําได้ว่าฉันตั้งใจว่าจะสมาทานศีลหหรือฉันตั้งใจจะสมาทานศีลก็คือกินอาหารมังสวิรัติตลอดพรรษาฉันสมาทานว่าฉันจะลดเหล้าตลอดพรรษาทําได้เลยนะไม่ต้องรอพระไม่ต้องไปที่วัดก็ได้หรือว่าฉันสมาทานจะบําเพ็ญสมาธิภาวนา คือละครึ่งชั่วโมงคือละสิบนาทีหรือว่าฉันจะสมาทานลดละ ก, การดูโทรทัศน์ดูหนังพวกนี้ทำได้เลยนะไม่ต้องรอพระแต่เราไปติดประเพณีไงเราก็เลยลืมสาระไปเดี๋ยวนี้การทำความดีเช่นการรักษาสิ่งแวดลเป็นเรื่องยากเพราะคนไปติดพิธีกรรมเยอะกว่าจะให้ทานก็ต้องกล่าวคำถวายถ้าก่าวคาถวายไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นการให้ที่ไม่สมบูรณ์ อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากสมัยนี้การทำความดีแกเป็นเรื่องยากคนเวลาทำชั่วนี่มันง่ายหรือเกินจะขโมยนี่ไม่ต้องสมาทานอะไรทั้งสิ้นขโมยเลยแต่เวลาทำความดีโอ้โหมันยากนะมันต้องหาพระทีนี้เป็นอย่างนี้นะคือเราทำความดีให้กลายเป็นเรื่องยากแต่ความชั่วนี่มันกลายเป็นเรื่องง่ายชาวบ้านเวลาจะตั้งสหกรณ์นี่โหยากเหลือเกินระ้เหยียบแบบฟอร์มเยอะแยะไปหมดแต่เวลาโจมันจะรวงกับเป็นแก๊งขโมยของนี่มัน ทำทันทีเลยมันไม่ต้องมาเล้อล่าล้าสมัยพุทธศาสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเพื่อส่งเสริมให้การทาความดีเป็นไปได้ง่ายเวลาเราจะสมาทานศีลหรือเราจะรักษาศีลทำเลยเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งก็แล้วแต่ขอยตั้งใจก็แล้วกันขอยระดัหนักว่าการทำความดีทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกที่อย่าให้มันกลักลิงด้วยประเพณีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ เด็กไม่อยากจะสมาทานศีลเพราะไม่รู้จะสมาทานยังไงกล่าวคําบาลีไม่เป็นแล้วก็บางทีก็ต้องมีการกราบไหว้กันก่อนนะต้องไวหว้ถูกนะเป็นจางขาปดิษตนะเราก็ไปติดกับตรงนั้นนะ่ะนะครูสอนศีลธรรมก็ไปติดเรื่องการกราบการไหว้การสวดมนต์ไอ้พวกนี้าศาสนาประเพณีไปไม่ถึงาศาสนาธรรมสักทีผู้ที่เป็นครูก็ต้องพยายามทําให้เด็กเขารู้สึกว่าการทําความดีเป็นเรื่องง่าย อย่าให้มันเล้อล่าอย่าให้มันถูกละลืมได้ประเพณีมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่านั่นฉันไปเที่ยวห้างดีกว่าไม่มีประเพณีอะไรซับซ้อนเลยแสตีนี้เพื่อลดละขัดกาวตัวเองเพื่อได้มีกายวาจาที่เป็นปกติถ้าเรารักษาศีไม่เป็นก็จะเกิดกิเลสได้เหมือนกันก็คือว่าเกิดความหลงตัวลืมตน ว, ว่าฉันเลิศ ฉ, ฉันประเสริฐนั้นถือศีล8ฉันเลิศประเสริฐกว่าถือศีลห้าเวลาเถียงกันทะเลาะ ก, กันเพื่อถามว่าเธอถือศีลอะไร เธอถือศีลหใช่ไหมงั้นไม่ต้องพูดฉันถือศีลแปเธอเงียบได้แล้วเพราะว่าฉันถือศีลมากกว่าเธอแสดงว่าฉันถูกและเธอผิดอันนี้แสดงว่าเกิดมานะแล้วนะถือศีลอย่าให้เกิดม า, น, านะนะถือศีลนี่ต้องทําให้เราเนี่ยเป็นจิตใจที่ปกติลดความเ m แ n ่ตัวลดความเ ment ตัวรวมทั้งลดความที่ถือในตัวตนด้วยอย่าไปคิดว่าฉันถือศีลมากกว่าฉันประเสริฐ ก, กว่าเธอ ฉันกินเจฉันประเสริฐคนกินเนื้ อ, นะอ น, นั่นมันถูกกิเลสหลอกเข้าไปแล้วหลจากศีลแล้วก็ต้องไปภาวนานะเพราะว่าคนเราไม่มีแค่กายวาจาคนเรามีใจด้วยต้องมีภาวนาภาวนาคืออะไรก็คือการฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสภาวะที่เป็นกุศลเป็นกุศลก็เช่นว่ามีความรู้ตัวมีเมตตากรุณามีความสงบ ีจิตผ่องใสไม่เครียดแช่มชื่นเบิกบานรวมทั้งมีปัญญาด้วยตรงนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ถูกมองข้ามกันไปแล้วก็ถูกไปทำให้เข้าใจว่าอุทภาวนานี่มันต้องนั่งหลับตาต้องมีการกล่าวคำอธิษฐานนะเพื่อจะได้วิปัสสนาต้องมีดอกไม้ทูปเทียนอะไรต่างๆนั่นก็คือศาสนาประเพณีซึ่งในสายพุธการมันไม่มีมาทีหลังทั้งนั้นแหละ ที่พูดมาทั้งหมดนะแม้กระทั่งการสมาทานศีลก็มาในพุทธกาลยุคหลังๆสมัยก่อนไม่มีอะไรมากผู้งัขสู่ตัวาศาสนธรรมภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจพัฒนาจิตพัฒนาใจหรือพุง่งเขคือว่าพักจิตบำรุงใจนั่นแหละเวลาเราทําอะไรเราทําอย่างมีสติส่วนมนต์สวนมนอย่างมีสติหมายความว่าใจไม่ลอยไปที่อื่นกินข้าว ใจก็ไม่ลอยไปที่อื่นอนาบน้ำถูฟันก็ใจก็อยู่กับการอาบน้ำถูฟันรับรู้กายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เพ่งแต่ให้รู้เฉยๆรู้เบาๆอันนี้ก็ภาวนานะหรือว่าเวลาเราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างที่เมื่อกี้เราสวดกันนะอะอภินาปัจเวกพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของชีวิต แล้พิจารณาถ้าให้ดีเนี่ยให้ลองสร้างภาพเป็นในใจดู ว, ว่าฉันมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเนี่ยลองสร้างภาพว่าเป็นคนไข้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ห้อง ICU ียูเนี่ยทำใจได้ไหมเวลาพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาเป็ น, นี่ความตายไม่พ้นเนี่ยลองพิจารณาดู ว, ว่าถ้าตัวเองากลายเป็นศพอยู่ในโลงเนี่ยเราทําใจได้ไหมอันนี้ก็เป็นภาวนาเนะีคือเป็นการเตือนใจให้เราลึกถึงความไม่เที่ของชีวิต เป็นเรียกว่าเป็นการเจริญมรณสติภาวนาคนเราควรจะภาวนาอยู่เสมอทําในใจและวรู้ถึงความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารและสิ่งเหล่านี้คนที่อยากจะได้บุญเนี่ยให้รู้ว่าภาวนาอย่างที่พูดมาเนี่ยได้บุญโยา ก, กันาให้ทานเยอะสังฆทานนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดของการทําบุญที่เป็นเรื่องของวัตถุแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเหมีอนนิสงน้อยกว่าการบําเพ็ญภาวนา อย่างเช่นพระเจ้าตรัสว่าเพียงแค่บำเพ็ญอ น, นิจจสัญญาเจริญอ น, นิจจสัญญาเนี่ยเพียงชั่วลมือเดียวเนี่ยมีอ น, นิสงฆ์ยิ่งกว่าการถวายทานถวายอาหารแก่พระอาหารหันต์ถึง100รูปยิ่งกว่าการถวายอาหารแก่พระอาหารหันต์ทึง100รูปนะแล้วก็ยิ่งกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้ซ้ําลองคิดดูซิว่า ชาตที่ตั้งชาเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้ถวายทานที่มีพระเจ้าเป็นประธานจะเสียดายไปทําไมในเมื่อเพียงแค่เราพิจารณาความเม่ถ์ของชีวิตก็มีอ น, นิสงฆ์มากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประธานแล้วการบําเพ็ญเมตตาที่ว่าเจตตววิมุติเนี่ยเพียงชั่วสุดดมไม้หอมเนี่ย<ม>อ น, นิสงฆ์กว่าการถวายอาหาร300รม่อนีกว่าจะทําอาหารสาม้อมอนี่โอ้ ต้องเตรียมการไปอาทิตย์นะ0มอหม้อหม้อใหญ่ๆเนะี่ยสามรอหม้อแต่ปรากฏว่ายังได้อันนี้สงแห่งบุญเนี่ยน้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนาเพียงชั่วดมไม้หอมไม่ได้เปรียบไปเหมือนกับว่าแบกอิดแบกปูน e ทั้งวันเนี่ยได้มาร5 0บาทแต่ว่างานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยบางทีได้มา 5,000 แล้วเปรียบทีได้เงนก็ว่าได้าการ ทำบุญด้วยทานเนี่ยแม้เป็นสังฆทานนี้ก็ยังได้อ น, นิสงส์งน้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าการบาเพ็ญทางจิตแต่แต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราถวายทานหรือว่าปรุงอาหารเนี่ยนะเราภาวนาไปด้วยก็ได้นะเช่นเรามีสติในข่าที่เราปรุงอาหารในข่าที่เราปรุงอาหารเราก็เจริญเมตตาว่าขอให้อาหารที่เราทํานั้นเนี่ยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เขาได้หายหิวให้เขาได้รับความสุขความเจริญ อันนี้ก็ได้นะก็เป็นภาวนานะคือภาวนาขณะที่เราบําเพ็ญทานก็ได้เหมือนกันมันดีกว่าขณะที่หันผักไปก็ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยได้เหมือนกันนะแต่ได้น้อยนะให้เราเข้าใจว่าพูดถึงเรื่องบุญแล้วเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทานศีลภาวนาและเข้าใจว่าภาวนาเนี่ยนะคือการปฏิบัติบําเพ็ญจิตเนี่ยให้เป็นกุศลเนี่ยมันทําได้ทุกเวลานั่งรถติดไฟแดง เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันความหงุดหงิดนั้นหรือไม่ก็อาจจะตามลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกจิตก็จะเป็นกุศลไม่หงุดหงิดนะเวลาโกรธไทยก็แผ่เมตตาให้เขาไปหรือที่จริงเวลาโกรธเนี่ยเพียงรู้ว่าเราโกรธเราเรารู้ว่าเราไปยึดติดอดีตแล้วส่วนใหญ่ความโกรธนี่ก็เป็นเรื่องในอดีตทั้งนั้นแหละบางทีเขายังไม่ทันจะทําอะไรเลยเราปรุงแต่ว่าเขาจะต้องทําอย่างโน้นทําอย่างนี้ เราก็โกรธเข้าไปแล้วเรานัดเขาพรุ่งนี้สี่โมงเย็นยังไม่ถึงเวลานัดเลยแต่เนื่องจากเราเคยประสบว่าเขาผิดนัดมาบ่อยๆเราก็คาดเดาว่าเขาจะต้องผิดนัดพอคาดเดานี้เขา้าโกรธเลยโกรธโดยที่เขายังไม่ทันจะได้ทําผิดหรือว่าไปอยู่ในปาน่าในที่มืดๆเนี่ยนะปรุงแต่งไปแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีผีมาหลอกนะผีไม่ทํามาหลอ ก, ล ก, กแล้วก็กลัวเธอแล้วกลัวล่วงหน้านะ คนเรานี่มันทุกข์เพราะอาดีตนอนาคตเยอะแลเรื่องความโกรธนี่ก็เป็นเพราะใจเราไปปักอยู่อดีตถ้าเรามีสติรู้กลับคืนพาจิตกรรมสู่ปัจจุบันอันนี้ก็ภาวนานะีภาวนามันทำได้ตลอดเวลาอย่าไปพูดว่าไม่มีเวลาหายใจสมัยที่หลวงพ่อชาอยัางอยู่ก็ท่านก็บอกว่าให hey, ้ภาวนาภาวนาก็มีญาติโยมบอกว่าผมไม่มีเวลาภาวนาเลยครับ หลวงพ่อก็เลยถามว่าคุณมีเวลาหายใจหรือเปล่าถ้าคุณมีเวลาหายใจคุณก็มีเวลาภาวนาแต่ทอนเดียวกันถ้าใครมาถามนะว่าไม่มีเวลาภาวนาแล้วก็ถามว่ามีเวลาถูฟันไม่มีเวลาอาบน้ำไม่มีเวลากินข้าวไหมไอ้พวกนี้ถ้าคุณมีเวลาทําสิ่งเหล่านี้คุณก็มีเวลาภาวนาเพราะว่าภาวนามันทำกับสิ่งเหล่านี้ได้คนเราเนี่ยนะเพียงแค่รู้จักภาวนาบนถนนนะหรือภาวนาเวลาอยู่บนรถนะอาตมาเชื่อว่า ปฏิบัติทําไปได้ไกลแล้วคนกรุงเทพเนี่ยตาไม่ว่าปีหนึ่งเนี่ยอยู่บนถนนหรืออยู่บนรถเนี่ยกี่วันคนกรุงเทพเนี่ทราบไหมถ้ารวมเวลาที่อยู่บนถนนทั้งหมดนะในหนึ่งปีนะสามร้อสิบห้าวันเนี่ยนะกรุงเทพจะอยู่ในบนถนนเนี่ยสี่สิบ้าวันเต็มๆคือสี่สิ้าคูณยี่บสี่ก็คือพันกว่าชั่วโมงคนที่บอกมีเวลาเข้าวัดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ตอนอยู่บนรถนั่นแหละ โดยจะเป็นคนขับหรือคนนั่งอ่ะภาวนาเถอะรับรองอาจจะมีเวลาภาวนามากกว่ามาอยู่วัด7วันสชเพราะเจวันมันเทียบกับ45วันไม่ได้เลยห่างก็ต้องเจเท่าเพราะนั้นเนี่ยถาว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นความแก้ตัวก็แสดงว่าไม่เข้าใจว่าภาวนาคืออะไรแต่ถ้าเข้าใจแล้วนี่ก็ขอให้สบายใจว่าเรามีเวลาภาวนาตลอดเจ้าเว้นก็แต่เวลานอนเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้เข้าใจนะว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้าคอยเราไปถึงเรื่องภาวนาอย่าไปติดแค่ทานอย่าไปติดแค่ศีล น, นะต้องภาวนาด้วยแต่ภาวนาโดยที่ไม่มีทานไม่มีศีลก็ไม่ได้นะบางคนภาวนาเนี่ยเอาเก่งภาวนานะแต่เวลาลูกมายืมเงินพันบาทนี่โหยเครียดเลยเดินไปก็คิดไปเขาจะมาคืนเงินเราไหมนอ้อนี่ขนาดลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งนะลูกมายืมเงินพันบาท เดินตรงกลมไปก็คิดไปเครียดเพราะสียดายเงินบางทีเราภาวนาแต่ว่าเราเห็นแค่ตัวก็มีนะภาวนาแต่ยังมีความงกก็มีเพราะว่าภาวนาไม่เป็นเพราะภาวนานั้นเนี่ยมุ่งแต่เอาความสงบแต่ไม่ได้มุ่งการปล่อยการวางการลดกันละโดยเฉพาะลดละในสิ่งที่เป็นตัวเราของเราอย่าลืมว่าสิ่งที่ลดละได้ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุถ้าลดละสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ได้เนี่ยจะลดละสิ่งที่เป็นบุคคลจะยากมาก คือลูกคือหลานคือพ่อคือแม่คือแฟนสามีภรรยาเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางวัตถุจะด้วยทานก็แล้วแต่จะด้วยทานหรือด้วยเหตุบังเอิญคือของหายก็ต้องปล่อยไปเลยนะปล่อยไปแบบไม่มีเยื่อยใยเลยเพราะว่าท่านยังปล่อยไม่ได้เนี่ยเราจะทําใจไงเวลาลูกหลานคนล่างนี้เขาไปหรือว่าเราจะเราจะไปจากเขามีแม่คนหนึ่งก็บอกเนเรื่องตายนี้เขาไม่กลัว แต่ว่าเขายังรักลูกอะ่ะเขายังทำใจไม่ได้ที่เขาจะพลากจากลูกลูกเขาก็โตแล้วทั้งเกือบสี่สิบแล้วนะแต่เขาก็ยังเป็นห่วงลูกอะ่ะคนพูดนี่ก็ยุบเจ็ดสิบนะตายไม่กลัวนะแต่ว่าทำใจไม่ได้เวลาคิดถึงว่าจะต้องพลากจากลูกนี่เราต้องเรียนรู้นะธรตมาก็บอกเขาว่าต้องเรียนรู้นะต้องฝึกฝึกลองฝึกว่าให้เราลองพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราต้องพลากจากเขาไป ว่าเรานึกภาพให้ชัดเจนว่าเราต้องพลาดจากเขาไปเราตายจากเขาไปใหม่ๆคงทำได้ยากหรอกทำแล้วอาจจะน้ำตาไหลทำแล้วอาจจะเครียดหายใจไม่ออกมันซึกหายอึดอัดนะคนหลายคนเป็นอย่างนี้แต่ทำไปทำไปมันก็จะทำได้แต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการสลัดสินของ น, นะสลัดสัดสินของอยังสลัดไม่ได้เช่นสลัดด้วยการให้ทานโดยไม่มีเยอะใหหรือว่าสลัด แบบตกกรไดพรากระจนคือว่าคนขโมยไปของหายไปสลัดไปเลยไม่ต้องเอามาคิดกังวลอีกต่อไปของเสียแล้วใจอย่าเสียด้วยสลัดแบบไม่มีเยอะใหญ่เพราะว่าเวลาตายมันไม่เหลือมันก็หมดแหละไม่เหลืออะไรเพราะถ้าเราสลัดสิ่งของไม่ได้เราก็สลดคนรักหรือปล่อยวางเข้าไม่ได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่เราหรือเขาต้องตายจากกันแต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นคือสิ่งที่เป็นนามธรรมานะเช่นความคิด ความคิดทางพระลิบัทิฏิความยุติวณนี้เป็นความคิดของเราเดี๋ยวนี้คนไทยทะเลาะกันมากเรื่องความคิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเครียดเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวเลยเพราะนักการเมืองที่ไม่ถูกใจเวลาเขาพูดธรรมาก็บอกว่าต้องเรียนรู้ที่จะฟังคนที่คิดต่างจากเรานะเพราะว่าคนที่คิดต่างจากเราไม่ใช่มีแค่นักการเมืองที่เราไม่ชอบแฟนของเราลูกของเราเพื่อนของเราก็คิดต่างจากเรา ในชีวิตเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบเยอะถ้าเราทำใจไม่ได้กับนักการเมืองที่พูดไม่ถูกใจเราเราก็คงหาความสงบไม่ได้เพราะชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยต้องไปเจอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเยอะรวมทั้งความเจ็บความป่วยความพัดพลาดความซุ่นสิบพวกนี้ไม่ถูกใจทั้งนั้นต้องเริ่มต้นในการสลัดทิฏฐิออกไปอย่าไปยึดติดถือไมั่กับความคิดของเรามากเกินไปนี่แหละเป็นเรื่องภาวนาทั้งนั้นนะ ให้เขา้าใจพอณาเคือ น, นี้คือฝึกเพื่อให้เราเกิดปัญญาเห็นเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิ่งของผู้คนความคิดหรือแม้ทั่งตัวกูของกูความยึดติดว่าฉันเป็นนี่ฉันเป็นนั่นถ้าเราสลัดไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เราก็จะทุกข์คนเป็นแม่ก็ทุกข์เวลาลูกเถียงความเป็นแม่มจะขึ้นมาเลยว่าฉันเป็นแม่นะแกเป็นลูกมาเถียงฉันได้ยังไงคนที่เป็นครูก็เป็นอย่างนั้น น, นี้ก็ทุกแบบครูเป็นอะไรก็ต้องทุกแบบนั้นแหละต้องรู้จักเห็นว่านั่นคือสมมุติที่เราต้องเรียนรู้ที่บปล่อยวางให้ได้ให้เราเรือกว่านี่คือภาวนาที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันเจอเจอแล้วก็ตามมีอะไรก็ตามถือเป็นวัตถุแห่งการภาวนาได้ทางนั้นอันนี้แหละทั้งหมดคือศาสนาธรรมที่อยากจะให้พวกเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปติดที่กับพี ไปติดที่ประเพณีไปติดที่วัตถุไปติดที่สิ่งของไปติดที่บุคคลแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปถึงไหนนะให้เข้าใจศาสนาธรรมและปฏิบัติให้เป็นให้ถูกเราก็าจะเจริญหมายถึงว่าเจริญก็น้าในธรรมะนะเจริญก็น้าในทางอื่นนี่ไม่รับรองแต่ในทางธรรมะคือสุขง่ายทุกข์ยากหรือจกระทั่งพ้นจากสุขและอยู่เหนือทุกข์ด้วยอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์กเนี่ยก็เป็นไปได้